บูกทูยี่สิการสนทนาหนึ่ง Коротка ร озмова อดินทำตัวตามสบายค่ะ в л аштов ิติส์ зруч н і ้ ше ทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะคะ คุณอยากดื่มอะไรคะฉ่บบอบบบบบบบบบบบคบบบบบบนบบบบบบบบบ и บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ คัคุณเล่นเครื่องดนตรีได้ไหมคะนี่นี่คือกีตาร์ของดิฉันค่ะอฮคุณชอบร้องเพลงไหมคะคุณมีลูกไหมคะ คุณมีสุนัขไหมคะคุณมีแมวไหมคะนี่คือหนังสือของดิฉันอนดิฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ คุณชอบอ่านอะไรคะชิวี่อยากอ่าคุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมคะช и วี่อยากไปดูคอนเสิร์ตไหมคะคุณชอบไปดูละครไหมคะ Ч ิวี่อยากไปด т е ะ т รหมคะคุณชอบไปดูโอเปร่าไหมคะ